แปที่สั่งฆมีกาที่วัตถุว่าด้วยภิกษุไปสู่ทิศเป็นต้นเรื่องภิกษุจะไปไหนต้องบอกลาก่อนึ่้อยหกสมัยนั้นพวกภิกษุหลายรูปด้วยกันเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไปสูทิศบอกลาพระอุปชาอาจารย์ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุหลายรูปเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไปสู่ทิศย่อมบอกลาอุปชฌ า, าจารย์ภิกษุทั้งหลายอุปชฌาอาจารย์พึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านจะไปไหนกันไปกับใครถ้าภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดอ้างถึงภิกษุเหลืออื่นที่โง่เขลาไม่ฉลาดเช่นกันพระอุปชฌาอาจารย์ไม่พึงอนุญาตถ้าอนุญาตต้องอบัตทุกกฏ อนนัถ้าพวกเธอเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดพระอุปัชฌาย์อาจารย์ยังไม่อนุญาตถ้ายังขืนไปต้องอาบัติทุกกฎเรื่องควรสงเคราะห์ภิกษุผู้เป็นผู้หูสูดภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งภิกษุหลายรูปเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้จักอุโบสถหรือวิธีทำอุโบสถหรือปาทิโมกหรือวิธียกปาทิโมขึ้นแสดงภิกษุรูปอื่นเป็นผู้หูสูดเชี่ยวชาญปริยัติ ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีความละเอียดมีความระมัดระวังใฝ่การศึกษามาในอาวาสนั้นภิกษุพ่องหูสูตรนั้นอันภิกษุเหล่านั้นพึงสงเคราะห์อนุเคราะห์โอภาปราัยบำรุงด้วยจุรนดินเหนียวไม้ชาระฟันน้ำบ้วนปากถ้าไม่สงเคราะห์อนุเคราะห์โอภาปราัยบำรุงด้วยจุรนดินเหนียว ไม้ชมาราฟันน้ำบ้วนปากต้องอบัตทุกกฎเรื่องสงฆภิกษุไปพอจะกลับมาทันในวันนั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาทแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นภิกษุอยู่ด้วยกันหลายรูปเป็นผู้โง่เขาไม่ฉลาดไม่รู้จักอุโบสถหรือวิธีทมอุโบสถหรือปาทิโมหรือวิธียกปาทิโมขึ้นแสดงภิกษุเหล่านั้นพึงสงภิกษุรูปหนึ่ง ไปยังอาวาสใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้นด้วยสั่งว่าท่านท่านจงปรียนปาติโมกโดยย่อหรือโดยพิสดารมาเถิดถ้าได้อย่างไรนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุเหล่านั้นทุกรูปพึงไปสู่อาวาสที่มีภิกษุรู้อุโบสถหรือวิธีทมอุโบสถหรือปาติโมกหรือวิธีสวดปาติโมกถ้าไม่ไปต้องอบัตทุกก เรื่องจำปัญษาในอาวาัตที่มีผู้ยกปาติโมกขึ้นแสดงได้ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งภิกษุอยู่จำปัญษาหลายรูปเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้จักอุโบสถหรือวิธีธ ร, รมอุโบสถหรือปาติโมกหรือวิธียกปาติโมกขึ้นแสดงภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปยังอาวาตใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในเวลานั้น ด้วยสั่งว่าท่านท่านจงปลี่ยนปาฏิโมกโดยย่อหรือโดยพิสดารมาเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้พึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปช่วยเวลาเจวันด้วยสั่งว่าท่านท่านจงเปลี่ยนปาฏิโมกโดย иваем, ยอ่อหรือโดยพิสดารมาเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่ น, น, นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุเหล่านั้นไม่พึงจะบรรษาอยู่ในอาวาสนั้นถ้าจะบรรษาอยู่ต้องอบัตรทุกกฎ